จะทาอะไรเราใช้ชีวิตแบบไหนกันเฉยเวลาไปกับอดีตที่ผ่านมาเสียเวลาไปกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงในความคิดพลังงานในการใช้เวลาที่ผิด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 คือที่ตั้งของการกระทําอยู่เดี๋ยวนี้มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเริ่มไปจากนี่มันจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นว่พอใจไม่พอใจเริ่มเหนียวนี้มันจึงจะไปชนะที่นูน่นเงินโลทำมาลอยทุกข์สาเรื่องได้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 บ้านมันสศกปลกเต้องขวดการขวดบ้านเป็นการกระทํเพื่อสาตต้องเกิดขึ้นไม่กวดผ่านไปที่ใดตอนที่ฝนก็ออกไปที่นั่นกวดหลายรอบกว่สะอาดเลีวมันหลงรู้สึกตัวต้หลงก็หมดไปแล้วเพราะการกระทําแบบนี้เออมันโกรธ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 ปล่อยทตม า, มาไม่ใช่เรื่องเงินตระบาทคือมันหลงเป็นผู้หลงมาทุกเป็นผู้ทุกข์นะประมาทความไม่ทุกข์ก็มีก็มไม่โกรธก็มีมมมทำไมไม่ใช่เราก็มีสิทธิควมทุกข์ไม่เป็นธรรมควมไม่ทุกข์เป็นธรรม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 เสลาน้อยๆเห็นโค้งวนนั่งไปก็ให้งูตำตานเลือยออกจากอยากก่อเสือไปมองเห็นงูทำทานเนี่ยกำลังพูดสนกุกสนานอยู่เราดั่งทับอ่ะนะลุกเลยงูเลยไม่ได้พูดเลยว่า น, นั้นเลยหยุดเลยเลย ไ, ไรปรเดินจกกังกรมนี่ตามันเห็น ก็ใช้ได้อยู่แล้ว <c oughs> สติมันยอดเยี่ยมกนนะั้นเห็นทุกลองดูซิถ้ามีสติจริงๆนะมีไหมสติหรอวหลงเป็นผู้หลงานานเ ท, ท่ทาไหร่เคยมีสติไหมทุกทุกมาจีงแล้วเคยมีสติไหม โกรธโกรธปาขีข้างเราเคยมีสติรู้ตรงนี้ไหมเมื<ไ>ม่ อ, อไรจึงจะรู้<อ>มันทุกจนตายหรือหลงจนตายหรือกโกรธจนตายหรือชีวิตเราเนี่ยแตไงมันเป็นอย่างนี้อะไรมันเป็นชาติปัสย์ตามยังไรเรามาคิดเป็นโจรย์าถือหางโวมหลงเป็นโจ์ชีวิตเรา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 คนที่เราลักเราก็โกดมีไหมทําไมเป็นอย่างนั้นไปรับใช้มันไปด่ากันไปฆ่าไปตีมันไปทะเลาะกันให้ความโกรธทาให้เกิดความแตะแกลเป็นไปได้ยังไงอะไรที่มันเป็นจริงไปเสื่อชีวิตเราเนี่ยเราเป็นจำเลยให้รับใช้เขาดังนั้นลนะีกว่านั้นไม่มีเลย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 นคนอายุ16พรรษาเห็นความเกิดความแก่ความเก็บ ค, ค, ความตายอันอื่นไม่สงใจยเราจบสิกตศาสตร์มาแล้วเรียนจบเป็นอริยมนุตคนหนึ่งทำไมจึงมีกคนเห็นคนเกิดประพาสกุงกับมินลำพันธ์เห็นคนแก่เห็นคนเก็บ เ, เ, เห็นคนตายเห็นสมณะเป็นโจท มาถามพระเจ้าปู่พระเจ้าญาพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่มีใครตอบได้เลยเมือนคนแก่คนเจ็บ ค, คนตายก็เห็นตแต่ผู้ล ง, ลงห่มร้องไห้เราก็เคยร้องไห้เพราะ ค, ความแก่เพราะความตายพัดภาจา ข, ของรักของจอบจอยเลยทุกข์เนี่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 ใครจะช่วยมาช่วยไม่สนใจเราจะทํานี่คือเตียงกายเตียงใจทัำอะไรมันจึงจะมันจึงจะสําเร็จทุ่งนี้ไม่มีสําหรับเราหววมายไม่ผู้นี้ไม่มีสําหรับเราคอยชีวิตันเราจะรู้เดี๋ยวนี้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 ตลอดถึงอยู่ที่นั่นวางแผนแตัดจารูเล่ในวางแผนสี่อาทิตย์อยู่รอบสีมบางรัโพลจะทำไหมมันเป็นอย่างนี้ทำไหมเกิดขึ้นแล้วได้ไปสอนคนอื่นจะมีคนรู้ไหมเช่นผมบองวูเขาลู้เมื่อเคยคิดอย่างนี้เมื่อเคยทำอย่างนี้ไม่มีใครในโลกทำอย่างนี้ไม่มีครูที่เดียนมาก็ไม่สุขลงเ่ย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 จะจำบานได้ถ้าได้ยินคำพูดเจ้าหน่อจะบานเลยต้องไปสอนคนใครที่จะรู้เรื่องนี้สมควรที่รู้เรืงนี้อุทธกาดาวดลลาดาวดาเป็นครูคนท้ทยที่สอนนอกจากนั้นไม่มีอกถ้าเขาจะไปสอนก็ไม่มีแล้วคิดถึงใครอีกปัญจวิชีเออมี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 คิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงใครล่ะทุกคนนึ่งล่ะนะเพรามันเป็นสิ่งที่ที่มันต้องรีบด่วนชะน่อยเวลามันหลงไม่หลงน่าจะบอกแล้วมันโกรธไม่โกรธน่าจะบอก ง, ง่ายๆแค่นี้นะบอกผิดบอกถูกแค่เนี้ยจะปล่อย ก, กันที่ไงจนมัวถึงถูกวานเนี่ยวไม่รัวจรไมีการสั่งกานสอนกันอยู่ในเรื่องนี้